อันธรรมยังพุทธัสสะภาคาวะโตปุภภาคณะมะกะรังกะรโรมเสนนาโมตัสสะภาคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัตสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสาภะขาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราธาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสซาภาคาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธ า, ารัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง